สมุทยัยสัจจานิเทศทุกขะสมุทัยาอาริยสัจเป็นอย่างไรคือตันหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นๆได้แก่กามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาก็ตันหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้นเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคือ ปิยรูปสารูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสารูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสารูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปสารูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุนี้โซตะเป็นปิยรูปสารูปในโลก ละถึงคาณะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกละถึงเสียงเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกลิ่น เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรถเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโพธะะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมารมเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมารมนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมารมนี้จกขูวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกและถึงโสตวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก พาณวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกชีวหาวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสารูปในโลกและถึงโสตะสัมผัส เป็นปียรูปสารูปในโลกคานะสัมผัสเป็นปียรูปสารูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปียรูปสารูปในโลกกายสัมผัสเป็นปียรูปสารูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปียรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกละถึงเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาความหมายรู้รปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกและถึงสัทธสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันทสัญญาเป็นปิยรูปสารูปในโลกรสสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก โพธพสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญานี้รูปสันเจตนาความจงใจในรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกและถึงสัทธสันเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก คันทสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกโพธพสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมสัญเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมสัญเจตนานี้รูปปัตนหาความทยานอยากในรูป เป็นปิยร <talk ing> ูปสาตรูปในโลกและถึงสัทตันหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธตันหาเป็นปียรูปสาตรูปในโลกรสตันหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโพธภะตันหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธรรมตันหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมตันหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตันหานี้ รูปวิตกความตรึกถึงรูปเป็นปียรูปสารูปในโลกละถึงสัตธวิตกเป็นปียรูปสารูปในโลกคันทวิตกเป็นปียรูปสารูปในโลกรสะวิตกเป็นปียรูปสารูปในโลกโพธภะวิตกเป็นปียรูปสารูปในโลกธรมมวิตกเป็นปียรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้ เมื height, Tim, octopus, so, ่อตั้งอยู t ่ก็ต <Gear description. S 1> ั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นปิยรูปสารูปในโลกและถึงสัทธวิจารณ์เป็นปิยรูปสารูปในโลกคันทวิจารณ์เป็นปิยรูปสารูปในโลกรสวิจารณ์เป็นปิยรูปสารูปในโลกโธรพวิจารณ์เป็นปิยรูปสารูปในโลกธรรมวิจารณ์เป็นปิยรูปสารูปในโลก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 <mister ius> ตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสารูปในโลกละถึงเสียงเป็นปิยรูปสารูปในโลกกลิ่นเป็นปิยรูปสารูปในโลกรสเป็นปิยรูปสารูปในโลกโพัพภะเป็นปิยรูปสารูปในโลกธรรมารมเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที่ธรรมารมณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมารมณ์นี้จะขวัวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกละถึงโสตวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกคานวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสารูปในโลก ตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จากขูสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกละถึงโสตะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนสัมผัส เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก Jasmine, ตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกละถึงเวทนาที่เกิดจากโสต ส, สัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส เป็นปิยรูปสาต ร, รูปในโลกเวท น, นาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสั DJ. มผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปปัญญาเป็นปิยรูปสา ร, รูปในโลกละถึง สัทธส mm ัญญาเป็นปิยรูปสารูปในโลกคันธสัญญาเป็นปิยรูปสารูปในโลกรัศสัญญาเป็นปิยรูปสารูปในโลกโพธภสัญญาเป็นปิยรูปสารูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้ รูปสันเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกละถึงสัทธสันเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคันทสันเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกราสสันเจตน า, นา Canadian, เป็นปิยรูปสาธรูปในโลกโพธพสันเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกธรมมสันเจตนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที่ธรรมสันเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสันเจตนานี้รูปปัตญหาเป็นปิยรูปสารูปในโลกละถึงสัตตันหาเป็นปิยรูปสารูปในโลกคันตัญหาเป็นปิยรูปสารูปในโลกรสตัญหาเป็นปิยรูปสารูปในโลกโพธภะตัญหาเป็นปิยรูปสารูปในโลก ธรรมตัณหาเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตกเป็นปิยรูปสารูปในโลกละถึงสัทธวิตกเป็นปิยรูปสารูปในโลกคันทวิตกเป็นปิยรูปสารูปในโลกรสาวิตกเป็นปิยรูปสารูปในโลกโพธพาวิตก เป็นปิยรูปสาธรูปในโลกธรรมวิตกเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานีเมื่อละก็ละที่ธรมมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกและถึงสัทธวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคันธวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก รสะวิจารเป็นปียรูปสาธรูปในโลกโพธพาวิจารเป็นปียรูปสาธรูปในโลกธรรมวิจารเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานีเมื่อละก็ละที่ธรรมวิจารณี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารณี้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธาอริยสัตว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 พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้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 อนิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน4ภิกษุทั้งหลาย 1. บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อ ย, ยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 2. เจปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 3. 6ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด5ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2 อ, อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 4. หปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด4ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 5. 4สีปีจงยกไวบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด3ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 3ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปทาน4ตลอด2ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี7 2สองปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปทาน4ี่ตลอด1ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 8. หนึ่งปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปทาน4ี่ตลอด7เดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 9. 7เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปฐานสีตลอด6เดือน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 หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 15. ิหนึ่งเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอดครึ่งเดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลนในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี 16. ครึ่งเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7วัน พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมานัตเพื่อบรรลุ ย, ยธรรมเพื่อทําให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการ เราอาศัยทางสายเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพรนานามาชนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษีของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสติปัฏฐานสูตรที่ส0จบมูละปริยายวักที่หนึ่งจบ พระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. มูลปริยยสูตร 2. สัพพาสวะสูตร 3. ธรรมทายาทสูตร 4. พยะเพรวะสูตร 5. อาอนงคณะสูตร 6. อากังเขยยสูตร 7. วัตถุปะมะสูตร 8. สันเลขาสูตรเ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 ไฟคือโทสะไฟคือโมหะให้ดับศูนย์เหมือนวสุธาราหลังชลมดับร้อนแห่งพื้นพระสุธาฉชนั้นพระสูตรอันประเสริฐสุดท้ายแห่งวักประดุจโอสดอันกำจัดพยาธิคือกิเลตมีรสหวานละมุนก่อให้เกิดความยินดีอันใหญ่หลวงแก่เหล่าเทวดาและหมู่มนุษย์พระอัฏกถาจารปรดิสถานไว้แล้วอันหนึ่ง พระสูตรที่ชื่อเวยากรณะองคุณหนึ่งของนวังคัตทุศาสท่านก็ประดิษฐานไว้ถึง250สูตรเพื่อทดสอบเหล่าสมณะสากยะบุตรขอท่านทั้งหลายเหล่าอื่นจากผู้ที่กล่าวแล้วนั้นจงมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันชมเชยพระสูตรอันมีความบันเทิงเป็นส่วนสุดในวักอันแสดงหนทางปฏิบัติต่างๆโดยลำดับเถิด สสีหนาถวักหมวดว่าด้วยการบรรเลอสีหนาฏหนึ่งจูฬสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรเลอสีหนาฏสูตรเล็กสมณะสีจำพวกข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้รับแสงเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สอง ม, มีอยู่ในธรรมวิ น, นัยนี้สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิของาศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงเธอทั้งหลายจงบรรเลงสีนาะโดยชอบอย่างนี้แหลเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริภาชกเจ้าลัทธิอื่นในโลกนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะไรเล่าเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นพลังใจของพวกท่านพวกท่านพิจารณาเห็นอย่างไรในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่า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 มีธรรมสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสไว้แล้วซึ่งเราทั้งหลายพิจารณาเห็นว่ามีในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงทำศีลประการอะไรบ้างคือ 1. ความเลื่อมใสในศาสดา 2. ความเลื่อมใสในธรรม 3. ความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล 4. ทั้งคราหัสและบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราทั้งหลาย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 ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดียรถีปริภาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเราแม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในศาสดานั้นอะไรเป็นธรรมของพวกเราแม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในธรรมนั้นข้อใดเป็นศีลของพวกเราแม้พวกเราก็เป็นผู้ทาให้บริบูรณ์ในศีลนั้น แม้ทั้งครหัตและบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจของพวกเราในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและมีการกระทําต่างกันอย่างไรระหว่างพวกท่านกับพวกเราเธอทั้งหลายพึงกล่าวต่อพวกอัญญะเดรธีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวกันหรือมีหลายอย่าง พวกอัญญาเดรถีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหลายอย่างเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้มีราคะความกําหนัดหรือผู้ปราศจากราคะพวกอัญญาเดรถีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ปราศจากราคะ มิใช่สำหรับผู้มีราคะเธอทั้งหลายเพึงกล่าวอย่างนี้ว่า <'t S 1> จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโทสะความคิดประทุสร้ายหรือผู้ปราศจากโทสะพวกอัญญาเดรถีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า <'t S 1> จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากโทสะน <'t S 1> ิใช่สาหรับผู้มีโทสะเธอทั้งหลายพึงกล่าว <'t S 2> อย่างนี้ว่า จุดม qui, of of ุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโมหะความหลงหรือปราศจากโมหะพวกอัญญะเดรทิปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากโมหะมิใช่สำหรับผู้มีโมหะเธอทั้งหลายเพิงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสาหรับผู้มีตัณหาความทยานอยากหรือผู้ปราศจากตัณหา <necessary. S 2> พวกอัญญาเดรถีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากตัณหามีใช่สำหรับผู้มีตัณหาเธอทั้งหลายพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีอุปาทานความยึดมั่นหรือผู้ปราศจากอุปาทานพวกอัญญเดรถีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ปราศจากอุปาทานมิใช่สําหรับผู้มีอุปาทานเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้รู้แจ้งหรือผู้ไม่รู้แจ้งพวกอัญญาเดรธีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้รู้แจ้งมิใช่สําหรับผู้ไม่รู้แจ <pop> ้งเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ยินดียินร้ายหรือผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายพวกอัญญาเดรธีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมิใช่สําหรับผู้ยินดียินร้ายเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสําหรับผู้พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนื่นช้าหรือผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้าผู้ยินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้าพวกอัญญาเดรธีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช e ้าผู้ยินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้ามิใช่สำหรับผู้พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนื่นช้า ผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนื่นช้าทิฏฐิสองภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองประการนี้คือ 1. ภาวะทิฏฐิ 2. วิภาวะทิฏฐิสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติด เข้าถึงเกาะติดภวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติดเข้าถึงเกาะติดวิภวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อภวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิสองประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะมีตัณหามีอุปาทานเป็นผู้ไม่รู้แจ้งเป็นผู้ยินดียินร้ายพอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าเรากล่าวว่าพวกเขาไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความเครื่มครวญ ทุกความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปายาตความคับแค้นใจไม่พ้นจากทุกขสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดทิฐิสองประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาไม่มีอุปาทาน เป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้ายินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้าเรากล่าวว่าพวกเขาพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุบายาตพ้นจากทุก ปาทานสี่พิุทั้งหลายอุปาทานสี่ประการอุปาทานสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. สศีลและประตุปาทานความยึดมั่นในศีลและวัด 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตามีสมณพราหมุกหนึ่ง ปติญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรูร้กามุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้สีละพะตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะสามประการ น, นี้ตามความเป็นจริงเหตุนั้น พวกเขาจึงปฏิญญาัทิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้สีลัพตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาถุปาทานมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญาณทิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิ่ถุปาทานไม่บับญญัติความรอบรู้สีและปตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะสองประการนี้ตามความเป็นจริงเหตุ <c oughs> นั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีละปรตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานบัญญัติความรอบรู้ศีะระพตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะหนึ่งประการนี้ตามความเป็นจริงเหตุนั้นพวกเขาจึงปฏิ ญ, ญาละทิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ที่ถูปาทานบัญญัติความรอบรู้สีละปะตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาธุปาทานภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสใดในศาสดาความเลื่อมใสใดในธรรมความเป็นผู้ทาให้บริบูรณ์ใดในศีลทั้งหลายความเป็นที่รักเป็นที่พอใจใดในหมสหธรรมมิกข้อนั้นทั้งหมดเราไม่กล่าวว่าดาเนินไปชอบในธรรมวิัยเห็นปา น, น้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่าศาสดากล่าวไว้ผิดแล้วประกาศไว้ไม่ถูกต้องไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ประกาศไว้ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาวาทะว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างจึงบัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือ บัญญัติความรอบรู้กามมปาทานความรอบรู้ทิฏฐปาทานความรอบรู้สีละปะตุปาทานและความรอบรู้อัตวาธุปาทานความเลื่อมใสใดในาศาสดาความเลื่อมใสใดในธรรมความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ใดในศีลทั้งหลายความเป็นที่รักเป็นที่พอใจใดในหมูสหธรรมมิกข้อนั้นทั้งหมดเรากล่าวว่าดำเนินไปชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ถูกต้องแล้วประกาศไว้ถูกต้องแล้วเป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว หลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอุปาทานพิษุทั้งหลายอุปาทานสี่ประการนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอุปาทานสี่ประการนี้มีตันหาเป็นต้นเหตุมีตันหาเป็นเหตุเกิดมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดตันหาเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดตันหามีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกําเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกําเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดภัสสะมีสลายตนณะเป็นต้นเหตุมีสลายตนณะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนณะเป็นกำเนิดมีสลายตนณะเป็นแดนเกิดสลายตนณะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตณะมีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นกำเนิด มีนามรูปเป็นแดนเกิดนามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกําเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเก er ิดมีอะไรเป็นกาเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นต้นเหต ь, ุ มีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดสังขารนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารมีอวิชาเป็นต้นเหตุมีอวิชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชาเป็นกำเนิดมีอวิชาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้น เธอไม่ยึดมั่นกามุปาทานทิฏฐปาทานสีละปะตุปาทานและอัตวาทุปาทานเพราะกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาจึงเกิดขึ้นเมื่อไม่ยึดมั่นเธอก็ไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งเธอก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นแหละเธอรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป